สิขาบทวิพัง5้2ร้คำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือ ไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางมันดาหรือทางบิดาตลอดเจ็ดชั่วคนที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงสองฝ่ายที่ชื่อว่าจีวรนได้แก่จีวรนหกชนิดอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งมีขนาดพอที่จะทำมิ ก, กับได้เป็นอย่างตําคำว่าเว้นไวแต่แลกเปลี่ยนคือยกเว้นแลกเปลี่ยนกันภิกษุรับต้องอบัตทุกกฎเพราะพยายาม จีวันเป็นนิสคีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแกะส่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวันที่เป็นนิสกีอย่างนี้